ทางธรรมะขอ <C oughs> ให้พากันกำหนดจิตให้อยู่เฉพาะตัว อ, อย่าไปส่งส่วนผ่านไปที่อืน่นเพราะถ้าเราสง่งจิตจิตตรงไปตามเรื่องอืน่นธรรมะจีตเราจะดับตัดตังตัวจะไมเข้าสู่จิตสื่ ใ, น ใ, นใจของเรา นอกจากนั้นจิตใจของเรายังจะจับใจสายไปตามสัญญาอารมณ์หรืเอเขณาทางหากเราก็หนดจิตเอาไว้ไม่ต้องคุ้มงจุงไปในสถานที่ื่นคอยตั้งจิตรองรับธรรมะที่การแสดงไปจิตของเรา จะคอยสงบลงสงบลงมีความเยเ็ยนเย็นมีความุกความสบายดกงนั้นการฟังธรรมะจึงต้องคันคือการตั้งใจใส่เป็นภาชนะเหมือนกันต็วาภาชนะคือรองรับนะทหาภาชนะแต่แทงไปหรือเอียงไปหรือข้ามไปเนี่ยฝนจะต ก, กขนาดไหนภาชนะนั้นน้ำจะไม่มากหรืจะไม่มีน้า ทางในภาชณะเลยก็เป็นด้างดังนั้นตัวเราท่านจิตวิชามาจากฐ า, านที่ฝ่ายต่างใจมาเพื่อจะอบรมธรรมะเสภาตันตังภาชนะด้วยจิตใจของตนไวให้ดีธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่าได้เชื่อไปที่อื่นถึงจะ มีมากมายขนาดไหนว่าส อ, อนกายสอนใจของแต่ละท่านแต่ละบุคคลเท่านั้นธรรมะค่อ่าสอนกายสอนใจเฉพาะพิเรศเกิดขึ้นจากกายจากใจไม่ได้เกิดจากต้นไม้ภูเขาไม่ได้เกิดขึ้นจากลม้าอากาศแต่นั้นธรรมะจึงสอนลงในกายในใจของบุคคล เพราะกิเลสมีอยู่ในจุดใดธรรมะจะต้องตามขับไ ล, ล่กิเลสออกจากจิตจากใจให้เบา บ, า, บ า, างสบานธรรมะของพระพุธทธเจ้าสี่ 9, ้าองค์ตรงนี้สอนโดยส่วนใหญ่ก็คือเรื่องสติปัดฐานฐานที่ตั้งของสติสติปัญฐาน ทั้งสี่คือตายหมายถึงก่อนดินน้ำลงไปหาทางาาทาสีนี้เรี่ยกแับตายเวทนาความสุกทุกฤเธิ์จิตตามนึกจิตลุงแตงต่างๆถึงเราเป็นเจ้าตัวรู้จักทาหมายถึงอย่างเราที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตกับใจนีเรียกว่าสติกัญฐาน คือฐานที่ตั้งของจิตผู้ใดตั้งสติที่นิจเจรณากายเวท น, นาจิตทำผู้นั้นหลาย่ีวะผู้ปฏิบัติทำเมื่อตั้งอยู่ได้นานเท่าไรก็ยิ่งเป็นสาระประโยชน์จะทําจิตทำใจให้สงบระงับดับยีเหลี่ยมัญหาได้เพราะเรื่องของกายเมื่อที่เจรณาแยบใายตามเรื่องจริงจัง ก็ไม่มีความกำหนัดยินดีไม่มีกิเลสตัณหาอะไรกายเพียงแต่เป็นเื่องอาศัยของจิตไม่ใช่ตายเป็นของสำคัญมากมายอะไรเพราะกายขวกเราท่านเราจะทิจแนาหยาบทายลงไปเมื่อมีแต่เรื่องของตายไม่มีจิตอาศัยคนเราตายไปหญิงชาย มากมายหลายหลวงขนาดไหนกอตามจะมากองเพินกันไว้ก็ไม่มีใครจะตำหนัดยินดีในกันแรกกันขาทั้งสีเหมือนกันจะต้องแตกสลายลงไปตามธรรมชาติของขาด่างนั้นไม่มีอะไรเป็นของสำคัญไม่มีอะไรเป็นเครื่องที่จะติดข้องหรือตำหนัดยินดี มีเรื่องของตายจริงจังเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราที่มีชิเลตัญหาไม้มันบาตากริ้งชายนั้นนั้นเป็นของสวยงามเป็นของน้าจูบหน้าชมเป็นของที่หน้ากำนัดยินดีด้วยอํานาจที่ใหม่ในที่นี้พิจารณาแยบชายายในจิตเปงใต้หลงงมงายชื่อบากรนั้นเป็นของสวยสดงดงาม หากี่จะะารณาอยกาทายทายในจิตในใจจริงจังความตำหนัดยินดีในเรื่องของกายจะหายไปเพราะเสียตากายทุกส่วนไม่มีที่ไหนอะไรซึ่งเป็นของสวยสดงดงามเป็นของปฏิปูลโดยธรรมชาติม่ว่าจะไหลออกมาจากทวาลใดกายจะต้องมีความ เนามีความเมน็นมีมความตะกี้ปูนขวไปไม่ว่าปูเด็กเล็กหรือปูใหญ่ตายเป็นอยู่อย่างนั้นท่านจึงให้เอาสติกําหนดนเรื่องของกายให้เห็นีตว่าเป็นแต่กายไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเมื่อเราพิจารณาจิตของเรารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนั้นความกําหนัดยินดีในเรื่องของการก็จกหายไป หีไม้ยถึงแตติสั่งในกายที่จนาจรนากายให้หยับ่ายหยับคายเข้าไปเท่าไรใจคอนับบันจะถอดถอนเรื่องความเย็บมั่นสำคัญหมายในกายไปถอ น, นั้นอุติกำหนดเรียนนากรเหมือนกันเรื่องของทำทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือน ก, นกันกับยาธรรมดายาเราเนโรคไข้ไข้เจ็บต่ต้อง อาศัยยาเป็นเครื่องบำบัดรักษายามีหลายขนาดเพราะโรคคนไม่เหมือนกันยาขนาดหนึ่งแก้โรคชนิดหนึ่งยาขนาดหนึ่งแก้โรคชนิดหนึ่งเหตุนั้นธรรมะของข้าพุทธเจ้าก็เหมือนกันกับยาเราปุเป็นโรคเพื่อชี้เหล็กตัณหาจัดที่จะได้นาเรื่องร่างกายไม่สบายไม่ถูกตามอัธยาศั ย, ย, ายของตน จะกำหนดเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือเฉยๆในตัวของตัวต่อได้าถ้ากำหนดที่เจรณาเรื่องเวทนาจิตเข้าใจในเรื่องของเวทนาจริงจังก็จะเห็นเรื่องเวทนาเป็นขันธ์อันหนึ่งใส่ใจ่จิตใสใส่กายเยังจเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอยู่อันหนึ่ง คือเกี่ยวพ้องกับจิตกับการแต่ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตเห็นใส่จับชัดเจนเมื่อเวลาเราพิจารณาเห็นใส่จับชัดเจนอย่างนั้นเวทนาความทุกข์มันจะเกิดขึ้นขนาดไหนถ้าหากแยกเวทนากายจิตออกจากกันได้เวทนากวเป็นเหลี่องของเวทนากายกว่เป็นเหลี่ยมของกายจิตกวเป็นเหลี่ยมของจิตถึงจะกระจับกระสายโต้โต้ไหวเพราะเวทนาอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้กาย ก็เป็นอนัตตาหมายถึงว่ารูปองอนัตตาใจจิตผู้ไปเห็นเรื่องของเวทนาเห็นเรื่องของกายไปจากชาัดเจนจิตนั้นไม่ใช่เวทนาในใจกายคอยใจไปจากชาัดเจนแล้วพอมาติตคล้องยึดถือเรื่องในของเวทน า, านั้นนั้นจิตของคนผู้นั้นจะเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตวิมุติเป็นจิตที่บริสุทธิ์ เป็นคํามทั้งแท้ไม่มีการกระสับกระสายรกระบวันตะวันไม่มีการเสียดายหรือยึดมั่นในเรื่องของกายของเวทนานี่หมายถึงว่าผู้ที่นี้พิจรารณาต่อไปถึงเรื่องของจิตจริงๆเป็นอย่างนั้นนี่เป็นทางจังสติให้ที่นี้พิจารณาเพราะธรรมะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ <c oughs> อย่างอื่น ผู้พิจารณาจะรู้ใจเห็นเป็นขึ้นจากการกระ ท, ทําำมเพิษทองตนแล้วก็ไม่สงสัยทำคําสั่งสอนของผู้ใช้านว่าเป็นโมฆะสาหรับผู้พพปฏิบัติเพราะเป็นตัด จ, จัดต่างคือเห็นเองรู้เองประ จ, จักษ์ในจิตในใจของท่านท่านจึงเชื่อมัน่นในการปฏิพัติปฏิบัติอธรรมเหล่านั้นไม่ยอมละ ไม่ยอมปล่อยวางในการปฏิปฏบัติทำอะไรอื่นซึ่งโลกของเขาเนยยมชมชอบบาดีอย่างนั้นเด่นอย่างนี้เมื่อเทียบกันแล้วกับการปฏิบัติทางจิตทางใจทางอัตมาธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจะรู้จักเข้าใจในตัวของท่านอย่างเต็มที่ว่าสิ่งเหล่านั้น ในเป็นของดีท้องดีไในเป็นท้องเปิดเิเศษเหนืองเดือดของธรรมะดังนั้นกูฏีนีธรรมะภายในจิตในใจท่านจริงป็นสุขะโตจะไปที่ไหนอยู่ที่ใดเป็นอย่างไรจิตที่บ่ริสุทธิ์ฝุดผ่องสุขอยู่อย่างนั้นไม่มีวันมีเวลาจะเอ็นเอียงหรือจะเสื่อมเสียเพราะทั่งฝึกจิตปฏิบัติธรรม เข้าใจชัดเจนเห็นแจ้งเป็นอย่างนั้นไมเหมือนพวกเราท่านที่ยังมีกิเลสตัณหารักเข้ า, ากับจิดกับใจไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรจิตใจจึงจะสบายจะทำอย่างไรจิตใจจึงจะเป็นสุขเลี๋ยวพุง่งปรุงไปตามสัญญาอารมณ์อย่างนั้นหักห้ามเอาไว้ไปอีกอหนึ่งยิงบุ่นอยู่ทั้งวันทั้งคืน ไม่มีวันสงบไม่มีวันเยียบเยน็นไม่มีวันเป็นตัวของโตัวเดืนนั้นพวกเราท่านจึงได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายทุกกามทุกสมัยถึงจะมีเข้าของเงินของมีของอื่นเชียงพอบอลลีบูลแต่จิตมันวุ่นจิตมันเดือดร้อนเพราะมันสงบไม่ได้เมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติอาถรรพ์รู้เห็นเป็นขึ้นจากตัวของท่าน ถึงส่วนอื่นภายนอกจะอดจนขัดการสักเท่าไรท่านก็สบายภายในใจของท่านไม่ว่าตั้งแต่สมบัติภายนอกแม้แต่ร่างกายของท่านเองก็เหมือนกันจะป่วยไข้ส่วนจะตายขนาดไหนท่านก็ยังมีความยิ้ยมแยมแจ่มใสยังมีความเมตตาอารีตัดต่อบุคคลจึงควรจะแนะนํำคำสอน อยงพระพุทธเจ้าชวนจะว ร, ะรินิพพานแต่ก็ยังบอกให้สุภัสทะบริธาสกเข้ามาหาถามปัญหาได้พอปัญหาฟ้องใจทำอะไรมาถามเราเราไม่มีคนอื่นจะแก้ไขให้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้สุภัสทะปริธาสกเข้าไปถามปัญหาพระองค์แนะสอนให้สุภัสทะอเลย ได้ดวงตาเห็นธรรมได้ ร, รู้เป็นพระ อ, อรหันต์อรหันต์เป็นสาวกสุดท้ายของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีจิตเป็นอาจเป็นธรรมจริงจังเป็นอย่างนะในนี้การบวนไหวจิตท่ามเริ่มคิ ด, คดรุงแต่งถ้าหากเราไม่เอาสติเข้าไปพิจารณาก็ไม่ทราวบว่ามันกรุงอะไรยึดอะไรไปอย่างไรมาอย่างไรเป็นลายได้ลายเสียเป็น โลกเป็นธรรมเป็นพีเรตเป็นอะไรในศาสตร์เท้งนั้นดังนั้นฉันจึงให้ตั้งจิตตั้งสติลงไปตูจิตที่นี้พิจารณาความปุงแต่งของจิตในขณะ น, นี้เวลานี้มันตรุงมันคิดในเรื่องอะไรเป็นเรื่องแก้ไขเป็นเรื่องเสิมเติมเรื่องปัญหาแต่ที่นี้พิจรารณาเรื่องของจิตหนึ่งเป็นทางตังสติอย่างหนึ่งทำหมายถึงอารมณ์ รวมรวมที่้ามาเกี่ยวข้องกับจิตนือจิตุงสุดงา น, นเหลี่ยมข้องทาให้กำหนดเป็นที่สร้างของสติผู้ที่สร้างสติเอาไว้ในสติตัจฐานทั้งสี่พระพุทธองค์ทรงรับรองบ่าคนนั้นอย่างช้าที่สุดไม่เลยเจ็ปีจะมี ส, สติเป็นสองคือหนึ่งาหาไม่เป็นธาตุหันก็จะเป็นพาะอนาคา ไม่ได้ตับลงมาเกิดในโลกอันนี้อีกเดี๋ยวต่อผลลนิพพานในสั้นของพระนาคาต่อไปคือสั้นอ่ะยี่หาอาตัตตาสุทธิขาสุทธิสีอัจฉริหมายถึงสั้นของพระนาคามีพรานาคามีเป็นผู้ดีผู้เด่นก็บพวกเรามากเพราะเหตุใดเพราะลาชะ ตามกำหนัดยอมใจในนี้ปฏิฆาความหงุดหงิดในจิตในใจในนี้คนเราที่เต็นทุกข์กันเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่ใจเรื่องอืน่นถ้าหามีธรรมรับกำหนัดยินดีร้อนใจโหม่ใจท่านจึงเรียกว่าราคตินาไปคือราคะโทสักินาไปคือโทสัก ถ, ถ้าหาดับไปเหล่านี้ได้จิตใจจะต้องสะดวกสบายเยือกเยน็นถ้านาะคาท่านดับได้ ผู้ที่ที่นี้พิจะะาราสติปัฏฐานทั้งสี่จะเป็นกายเวทนาจิตธรรมหากตั้งจิตที่นี้พิจารณาสิดต่อกันอยู่เป็นเน็ตในปล่อยจิตแผ่ลอยลมไปสู่สัญญาภายนอกคนนั้นอย่างช า, พยายเพียงเจ็ดปีไม่ต้องถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนหรือเจ็ดวันจะต้องมีคติเป็นสองพระพุทธเจ้ า, ร, า, ารับรองอย่างนั้นมีพวกเราท่านเคยสดับ ตับฟังทำของพระพุทธเจ้ามาและเคยศึกษาเคยปฏิบัติเดดใดพวกเราจึงไม่เป็นไปอย่างนั้นเมื่อิพิจารณาเรื่องของตัวเองเพราะสติไม่ได้อยู่กับกายไม่ได้อยู่ในเวทนาไม่ได้อยู่ในจิตในธรรมยังตั้งเอาไว้ทั่วขณะเวลาแล้วกว็ไหลหนีไปที่อื่นเพราะโทษเหมือนเทน้ำใส่หลังพุนัก พอเทลงไปแมงนกะสบัดทิ่งเนียแห้งไปไม่้างไนติดชั้นใดจิตของเราที่กำหนดากายกำหนดเวทนากำหนดจิตกำหนดธรรมงมวนกันสติไม่ตอนนี้อย่างกันเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่เห็นอัดทำสิพระพุทธเจ้ารับรองไว้ถ้าหากทำกันจริงจังอย่างนั้นเชื่อมั่น อย่างพระพุทธเจ้าอ่ะจะต้องเห็นต้องเป็นมีคติเป็นสองอย่างว่ะทำมาของพระพุทธเจ้ารับรองในกา ร, ป, รปฏิบัติถ้าหัสเราถือว่าเราคนหนึ่งถึงเป็นมนุษย์เป็นภาพภาพบุคคลบุคคลที่ควรต่ออัจต่อทำของพระพุทธเจ้าแล้วก็สอนใจข่องตน และจะ ท, ำำทําบําเพ็ญบังคับจิตบังคับใจให้มีสติที่นีิจจารณาการหรือเวทนาจิตทําอยู่เบอืองบจิตที่เคยปุ่งเคยปรุงเคยเรื่องนอกก่วยจะหดตัวเข้ามาเห็นโทษของจิตเหลียตัณหาเห็นโทษของสัญญาอารมณ์เพราะเรื่องเหล่านั้นเราเคยเด็ดจิตตามมาเป็นเวลานมนาแต่ทํามสุขความสบาย ในจิตของเราไม่มีก่อเหตุที่ว่าเราเชื่อที่เหลือตัณหาตัณญาอารมณ์นั่นเองเราไม่เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อธรรมของพระุทธเจ้ากำหนดธรรมของพระพุทธเจ้าแนี่ที่เหลือตัณหาจะมาเกี่ยวข้องฟุ้งพุ่งขึ้นจากจิตทัทงตนหรือสัญจรมาจากตาจากหูต่างๆเราก็ไม่ติดตาม เราจะได้ความสงบเราจะได้ความเยอดเย็นเราจะได้ความเป็นสุขจากการละมั่นระวังการมีสติยับยัง้งการตั้งใจรักษาจิตดังนั้นเราท่านทุกคนที่มุ่งมั่นมาฝึกฝนด้านจิตใจก็ขอจงพากันนำธรรมะตามสั่งสอน ข, ของพุทธเจ้ามาฝึกหัด ดัดกายลายใจจิตของตนเพราะธรรมะเท่านั้นจะเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าเรื่องขี้เหร่กันหาได้ไม่ ใ, ใช่ว่าการศึกษาตำหลับตำลาการไปเห็นด้วยหู ด, ด้วยตาเรื่องความเจริญภายนอกเป็นเรื่องจากกำจัดปัดเป่าขี้เหร่กันหาเรื่องหูเรื่องตาเรื่อ ง, อ, อ, งอายะตนะต่างหาก เาใหม่ที่นี่พิจรารณาน้อมเข้ามาเป็นอาจเป็นธรรมแล้วจึงเรานั้นก็มีแต่สิ่งที่จะนำจิตใจให้ฟุ้งรุงไปถายนอกเฮิรเฮิมเียนรอนตัดแต่งยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีวันเยือกเย็นเป็นสุขได้ธรรมะท่ า, านจึงว่าเป็นอัจาริโโหรือเป็นโอปนญายิปโกน้อมเข้ามาถ้าหากรู้จัก น้อมสิ่งทายนอกเข้ามาทิ่จรณาเป็นธรรมะไม่ต้องไปฟังธรรมะจากพระโอดของพระศา ส, สดาหรือครูอาจารย์ที่ไหนแต่ใจของเราคิดธรรมะรงธรรมะน้อมสิ่งที่ตาได้เห็นหูได้ยินเข้ามาที่เจรณาเป็นธรรมะยงสั่งสอนพระสมัยเก่าก่อนให้อยู่โคนต้นไม้ก็เพราะอาศัยว่าอยู่คนต้นไม้ มันมีอย่างดีร้ายอย่างคือการนอนก็ไม่ค่อยจะนอนสนิทเหมือนเรานอนในบ้านในกุดจะติดซามสว่างพอคือนอนเมื่อไรก็จะได้เดินโยนโมภาวนาง่ายนอกจากนั้นส่วนไม้ก็เป็นเครื่องที่จะพิจารณาทำด่าถากิจของพระหรือโยภาวาจรสอดทำคิดทำ เคยมีในประวัติพุทธทางพุทธการชาที่อยู่คนไม้เห็นใบไม้ร่วงลงมากดพิจารณาเอาเป็นอาจเป็นธรรมสอนตนจนจิตใจล่วงคนเป็นธาตุอาหัสอาหาันใบไม้ั้นก็เลสอนอะไรมันก็ร่วงตามถ้าสีภาษาของมันแต่ท่านมาเกียบเกียงเกี่ยงท้องตายมันเกิดขึ้น จะขอแปลปวนแตกสลายเหมือน ก, นกันกับใบไม้ที่มันร่วงมันหล่นลงมาท่านที่จะน้อมผมมาสอนตัวอย่างนั้นอันอื่นตัวเหมือนกันผู้เป็นนักทำภายในใจเห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นทำไปทางนั้นถ้าหากจิตเป็นโลกเหรอพระพุทธเจ้าจะแนะ น, ำนำํามสอนอยู่ตลอดเวลาจิตก็ไม่รักเป็นโลกก็หมดเพราะ จิตปรุงไปเรื่องของโลกฉะนั้นเราจึงสอนจิตของเราให้วกเข้ามาเป็นอาจเป็นธรรมเราจะกําหนดส่วนอื่นก็กําหนดได้นอกจากกายเรทนาจิตธรรมแล้วเพราะเรื่องรูปทั่วไปก็เหมือนกับกายของเราถ้าหากเราเห็นกายของเรา อยกทายว่าเป็นอันิี้จังคือมีการเกิดขึ้นดวงต้นแล้วปวนไปในท่้ำกลางแล้วก็จะแต ก, กสลายในที่สุดสัตว์มนุษย์หรือสัตว์มีร่างฐานปั่วโลกเหมือนกันหมดสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าตั้งแต่สิ่งที่มีวิญญาณสิ่งหาวิญญาณไม่ได้ก็จะเป็นไปทั้งนองเดียวกันเมื่อจิตรู้เห็นเป็นจริงอย่างนั้นโลกเหนือลัเหมือนหน้ากอง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นได้อย่างนั้นไม่มีอะไรผิดบังเพราะตั้งอยู่ในใจรับเสมอการจิตของฉันจึงสะดวกสบายในนี้ข้าสึกอันตรายเห็นอะไรก็เป็นอาจเป็นธคมไปหมดนเรายังไม่เป็นอาจเป็นธรรมอย่างนั้นจะต้องหมั่นที่นี้ที่ใจนาฝึก ส, สอนจิตใจของตนบุคคลที่จะที่นี้ที่ใจนาอารทำชนิดนี้เรียกว่ายิปัตะนา คือการที่นี้ิี่เจน่เพื่อให้เกิดสติปัญญาเพื่อแก้ไ ข, จ, ขจิตใจจิตผ่องแก้จิตใจยึดสติปัญญาจะเกิดเป็นยิปัสธนาไดา้กว่าสองอาศัยสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตความตั้งมั่นของจิตเป็นของสำคัญอันหนึ่งฉะนั้นใจสิทหาท่านจึงหวาสีนสมาธิปัญญาสีนก็คือการสั้งบอลรักษาเจตนานงัเว้นจากความทั่ว สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารสมาธิคือความสงบของจิตความสงบของจิตความตั้งมั่นของจิตจิตสงบเสียก่อนถึงค่อยจะตั้งมั่นได้ถ้าจิตยังไม่สงบตั้งมั่นไม่ได้เป็นอะไรบ่ พิจารณาในหยบาบคายเพราะจิตในตั้งมัน่นใครจิตตั้งมั่นจิตลงรวมจิตได้รับความสงบเกินอะไรก็พิจารณาแน่นอนชัดเจนเป็นปัญญาขึ้นได้เกิดธรรมดาพิจารณาธรรมดาด้วยปัญญาใครก็พิจารณาได้จํากันได้แต่เท่าไหรจิตใจจะ ม, มันจะแก่ใชหรือปล่อยวางตามทาพูดทาจําหรือไม่ เราก็พาะคาดได้กว่าความจำของเราความคิดของเราความเห็นของเรามันแก้ไขสิ่เดือดั่นหาไม่ะมันจึงหลงยึดหลงถือสำคัญมันไหมอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากจิตเป็นสมาธิมันเห็นแค่เป็นจริงเป็นอันเดียวกันแตกแๆกันที่แบบมันส่อยมันวางไม่เหมือนสัญญาที่เรา จำมาจิตจิตควรฝึกให้เป็นสมาธิแค่ก่อนการฝึกให้เป็นสมาธิฝึกให้จิตลงรวมโดยส่วใหญ่ก็คือฝึกให้จิตให้กําหนดแห่งก่อได้หรือกำหนดบทธรรมก่อได้เป็นบทบริกรรมพุทโธพุทโธอย่าง ให้จิตอยู่กับพุโทโธไม่ให้ปุ่งให้ปรุงไปส่วนอื่นถึงอารมณ์อื่นจะมีเป็นหมืน่นเป็นแสนนะยั่วยุให้จิตของเราปุ่งปรุงไปล้วก็ไม่เชื่อไม่จิตตามเพราะเราเชื่อมั่นว่าพุโทโธนี่แหละจะทาจิตทำใจของเราให้สงบระงับได้เราเคยปล่อยไปตามเรื่องใครออกปล่อยมานานแล้วจิตไม่เคยสงบ ร, งรวมรวมได้ เราจะเอาพุโทโธนี่แหละเป็นที่เกาะที่พึ่งของเราเมื่อใดจิตยังไม่ลงรวมได้ทำอศัศจรรย์จากการกระทําทเราจะไม่ยอมลูกจากที่นั่นเราจะที่ชีวิตต่อพุโทโธแล้วก็บริกรรมอยู่นั้นจนจิตเป็นพุโทโธพุโทโธเป็นจิตแล้วก็ลงสงบความสงบคนที่ไม่เคยประสบพบเห็นก็จะไม่ทราบแบบความสงบ มีรสชาติเป็นอย่างไรแต่ประหลาดอย่างไรจากจิต ธ, ธรรมดาถ้าปลูกระสบมาแล้วก็พอจะรู้จะเข้าใจความสงบก็มีหลายขั้นหลายอย่างถ้างสงบจริงจังปล่อยวางไปหมดเวทนาสัญญาไม่มีคือตามเจ็บความปวดหรือความมั่นหมายว่าเรามีเนื้อมีกายอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่ไม่มี ถ้ า, ามันสงบอยู่อย่างนี้จะอยู่สักกี่ปีกีเดือนก็ได้ไมนีม้เน็ดมีเหนื่อยในนมีเมื่อยมีหิวสะดวกสบายเบากายเบาจิตเยอะเจียบจิตสงบถึงที่เมื่อมันเป็นอย่างนี้ความสงบเรารู้เราเห็นเด่นชัดในตัวของเราเราจะไในเชื่อมัน่นในพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์อรหันอย่างไรเพียงเราสงบเพียงแค่ น, นี้ความสุขมันก็ดีพิเศษขนาดนี้ ผู้ที่ท่านหมดจดจากที่เหลืจะมีความสุขความสบายขนาด น, นล้นเราก็มีกำลังใจมีศรัทธาอยากจะกระทำบำเพ็ญให้เห็นให้เป็นอยู่อย่างนั้นใจเชื่อมัน่นในคำคำสั่งสอนของพระเจ้าเมื่อจิตสงบได้อย่างนั้นการทิ่เจรณนาอัดทำซึ่งเรียกแบปัญญาหรือวิปัสสนาเพราะ ถอนขึ้นมาจากการสงบเราจะพิจรารณาอะไรก็แจม่มใสชัดเจนขึ้นเพราะเหตุพื้นฐานคือความสงบมีเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีความสงบเสียก่อนความสง บ, บ ก, ก็ไม่ใช่คนอื่นจะหามาให้เกิดขึ้นจากตายจากใจของเราจี่แต่ทาบําเพ็ญมัเองดังนั้นเราเดียวนี้มีธุรนาชี มีการงานอะไรนอกจากจะกำหนดใจให้สงบเท่านั้นเราพึงทําจิตทําใจของตนให้สงบเนี่ยสงบแล้วจะต้องมีความสบายเกิดสิ่งมีปีติมีความสุขเกี่ยงง่ายๆไม่ว่าตั้งแต่จิตสงบยังบ้านเมืองสงบเราก็อยู่เย็นเป็นสุขไปมาหาสื่สถานที่ใดมมีเรือนมีภัยสะดวกสบาย คอบตัวสงบเราก็สบายในนี้เรื่องวุ่นวายตอกวนจิตใจกายสงบเราก็สบายอีกเหมือนกันกต่กาไไยเจอโรคภัยไข้เจ็บแั้วก็เดือร้อนลำบากความสงบจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่พวกเราท่านจะฝึกให้สงบให้เป็นให้เห็น ในตัวของเราคนอื่นเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะเป็นหรือไม่เป็นเป็นเรื่องของเขาแต่เราขอให้ทำ